บุกทูสามสิบทริเวีตทริเวีตที่ร้านอาหารสองเรสตอเรนต์ทูเนอะเรสตอนต์ทขอน้ำแอปเปิลครับมงโมลท เอมอเวยูลูตนขอน้ำมะนาวครับเอลิมอนาตยูลูนเ้อลิมนาตยูลูตขอน้ำมะเขือเทศครับงโดมาเตชยูลูตเงโดมาเตชยูลูตผมขอไวน์แดงหนึ่งแก้วครับ ด d o ตุดอยาญูก็ต์เวิร์ตคูเช่ดัตตุดอยาญูก็ต์เผมขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วครับดั t ตุดอยาญูก็ต์เวิร์ตบาร์ผมขอแชมเปญหนึ่งขวดครับช Do t ั doja një s h i s h เ shampanjë. ย์คุณชอบปลาไหมครับอาต p วเปลีะะ่ยนเพชกุอาต l วเปลี่ยนเพชกุคุณชอบเนื้อวัวไหมครับอาตัวชิลอะะช็อลปอลคุณชอบเนื้อหมูไหมครับ อาทผมต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ดัวติจกาปามิมผมต้องการผักรวมหนึ่งชุ ด, ด เนื้อพยแตงส์แม่รมผมอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทําไม่นานดัวทิกชกาที่นุกซี่ดชุมดัวทิกชกาคือนุกซี่ดชุ ม, ชชมคุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมครับไอต ni นี้ปิลฟัฟไอตรงนีปิลฟ คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมครับ Edonie macarona Edonie m a c a r o n คุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมครับ Edonie patate Edonie patate รสชาติไม่อร่อย n u k m a h i o n n u k m a h i n อาหารเย็นชื่อดูชิมิอิชิฟตกต์ดูชิมิอิติฟตกตผมไม่ได้สั่งจานนี้นุกเอกมปอร์ิทุลค่ะนุกเอกมปอร์ิทุลกรุณาไปที่ www. b o o k t o de